171หมอกเริ่มจางพร้อมๆกับไอแดดอบอุ่นที่เริ่มสาดลงมาตามช่องกิ่งไม้ใบไม้ป่าปโปร่งขึ้นตามลำดับจากนั้นชั่วไม่นานทั้งหมดก็ออกมาสู่บริเวณที่ราบสู ง, สงต่ำอันเต็มไปด้วยลอนของเนินลักษณะประหลาดเช่นที่เคยผ่านกันมาเมื่อวานซือนอีกครั้ง ไล้ตำแหน่งที่ยิงมหิงสาใหญ่ลงไว้สองวันก่อนซึ่งเป็นการเดินย้อนกลับออกมาอีกครั้งระพินหยุดชะงักสภาพความโปร่งโล่งของสถานที่ทุกคนมองเห็นแรงกลุ่มใหญ่เป็นกระจุกดำกำลังลงถึงอยู่ที่ซากของมหิงสาตัวนั้นระยะมันห่างประมาณ 75-80 ถึงเมตรทุกคนเห็นพรานใหญ่ล่วงกล้องสองทางไกลออกมาปรับเลนสส่องดู ฝ่ายนายจ้างเกือบทุกคนจึงทําตามด้วยกล้องประจําตัวโอ้ควายตัวยังกระช่างแค่สองวันเท่านั้นอ่ะไอแรงพวกนั้นลงจนเหลือแต่กระดูกขาวโพลนแบบนั้นเฉยเลยเสียงคิีดร้องขึ้นอย่างแปลกใจระพินสันสีสันทุกคนก้าวเข้ามายืนอยู่ในระดับเดียวกับเขาไม่ใช่แรงหรอก นี่ทุกคนลืมไม่หมานรกที่เราเจอกันในคืนนั้นช้แล้วหรือไงมันผ่านมาทั้งทุ่งนี่แหละก่อนที่จะบุกเข้าโจมตีพวกเราในดงทึบตอนที่พักกันอยู่เพราะมันผ่านซากควายป่าใหญ่ตัวนั้นมันก็ช่วยกันรุมแทะกัดกินเนื้อหมดเดีย๋ยวว่าจะซากตัวเดียวเลยต่อให้อีกสิบตัวก็ไม่มีเหลือจากกองทัพมากมายพวกนั้น่ะพวกแร้งนะ่ะมันมาอาศัยแค่เศษเนื้อที่ติดกระดูกเท่านั้นแหละพร้อมกับกล่าว ระพินสองกล้องกราดไปรอบๆตามเนินสูงๆต่ําๆเบื้องหน้าอันเป็นฉากที่เห็นขวางเป็นทิวอยู่เบื้องหน้าแล้วเอ่ยเรียกเสียงต่ำๆบรฉันอยู่นี่ว่างไงนี่เบผมยังจําได้นะว่าคุณตะโกนบอกพวกคุณไว้ยังไงบ้างหลังจากด่าผมเมื่อวันที่เราผ่านกันมาตรงทุ่งหญ้าแห่งนี้เนี่ย คุณพอจะดูออกว่าพวกเนินที่เราเห็นอยู่โน้นมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างของซากเมืองในอดีตจำได้ไหมก็ไปพบเขาอย่างจังในกลางโด่งนั่นแล้วยังไงมหาวิหารแล้วก็สุสานของกษัตริย์มันยิ่งน่าจะยืนยันชัดว่าเนินช้างของเรานี่มีอยู่หลายแห่งที่เราน่าจะเข้าไปสารวจมันอาจจะเป็นที่เก็บศพของเจ้าของที่เดิมก็ได้นะ แต่บ่ายวันนั้นคุณไม่ได้ความเห็นอะไรกับผมเลยถึงเวลาแล้วล่ะคุณที่คุณจะต้องเอาความรู้ทางด้านโบราณศาสตร์ซากโบราณแล้วก็ธรณีวิทยาของคุณมาช่วยพวกเราบ้างถ้าอยากจะผ่านดินแดนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยไม่ปล่อยให้กองทัพไปผีดิบมันไรยกขโยงมาเล่นงานเราให้ถ น, นัดนักไปวันนี้เราต้องทํางานกันทั้งวันเลยสำรวจให้ทั่วว่าแล้วระพินก็คว้าแขนเบ ให้เดินตามเขาลิ้วไปเบื้องหน้าทันทีแม่ผมแดงร้องลัน่นโอ้ยอย่าลากสิคุณจะบ้าแล้วเลยค่อยก็เดินไปก็ได้ฉันยังเจ็บหน้าอกอยู่นะนะับบัตรนั้นเองคริสตินาก็ก้าวสวบๆก็มาถึงเขาปัดแขนพรานใหญ่ออกและฝ่ามือนแข็งแรงของหล่อนก็เป็นฝ่ายรวบแขนเขาไว้เองนี่คุณ ไหนเป็นคนสั่งไว้เองไงว่าจใจเบลเดินไปตามสบายแต่คุณฟิตนักในเช้าวันนี้มามาแข่งวิ่งแข่งกั้ฉันก็ได้เราไปที่นั่นดดวยกันล่วงหน้าไปก่อนพวกนี้จอมพรานรู้สึกตัวหันไปขอโทษเบ ล, ลเบาๆแล้วยิ้มกล่อยๆบอกกับทุกคนว่าไปไปเราบายหน้าไปที่เนินเขาลูกแรกพร้อมๆกันเลยแล้วกันไม่ต้องวิ่งหรอกผมไม่ชอบวิ่งแข่งกับใคร นอกจากวิ่งนี้พูดแค่นั้นเขาก็ออกก้าวเดินสวบสวบไปโดยเร็วโดวยเลี่ยงห่างจากกลุ่มแรงที่ลงทึงกระดูกของซากมหิงสาอันมองเห็นเป็นกระจุกดำส่งเสียงร้องก๊กก๊กก๊กแก๊กกันอยู่ลั่นทุ่งนั้นทุกคนเร่งฝีเท้าตามกระชั้นติดมาในทันทีโดยปล่อยให้พวกลูกหาแบกของตามมาเบื้องหลังมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะัก พระภูมิภาพโล่งกว้างไกลสามารถมองเห็นกันได้โดยตลอดจันเกิดและเซยคงคุมขบวนลูกหาบเดินมาตามสบายไม่เร่งร้อนอะไรทั้งสิ้นแต่บุญคำเร่งฝีเท้าคนมาทันพวกนายจ้างบอกมาว่าพวกเจ้านายนะ่อย่าไปบ้าจี้ตามนายระพินให้ทันเลยปล่อยแกล่วงหน้าไปก่อนเถอะเดินไปกับไอ้คำตามสบายดีกะ ก็จะแกลงลองกำลังของแหม่มเบลวันนี้ดูว่าจะแข็งแรงได้แค่ไหนอย่าไปหลงกลแกสิแซลีคิดและเชิดบุญยังพยายามที่จะเร่งตามหลังไปให้ทันตามเดิมแต่อิซาเบลและคริสติน่ายอมผ่อนฝีเท้าลงมองตามหลังพรานใหญ่ไปอย่างถอนฉิวแม่ผมแดงเกาะไหลาตาพรานเท่าไว้นี่บุญคำ อันที่จริงแล้วฉันว่าบุญคำนะน่ารักกว่านายคนนั้นมากนะทําไมเขาถึงมีนิสัยอย่างงี้นะดูไม่ออกเลยบ่จะดีก็ดีใจหายบทจะบ้าขึ้นมาก็ยิ่งกว่าไอ้ควายตัวที่มันที่แรงมันลงทึงนั่นที่อีกโธแมไมไปถือสาอะไรแกตั้งแต่แกพลัดพรากจากคู่รักมานายของบุญคําน่ยก็เต็มเต็งซะเมื่อไรบุญคาเองก็ยังดูไม่ออกมา เกาะไหลไอคำไปว่าแล้วแกก็เอียงไหลเข้าไปช้อนใต้ปีกของเธอเอามือข้างนั้นของหลอนให้เกาะคอแกไวช่วยพยุงไปเบนโครงหัวบนอะไรอุบอิบเดินเขยเคกตามบุญคำเพราะไม่เพียงแต่บาดแผลจากหน้าอกเท่านั้นโขนขาของหลอนก็ยังมีร่องรอยบาดเจ็บจากกิ่งไม้ที่ตำทิ่มไว้คริสตินาคอยเดินประกบเพื่อนสาวอยู่ด้วยอีกด้านหนึ่ง ก็จริงอย่างบุญคําว่าฉันไปยิงนานไปอ่ะนายบุญคําอ่ะเขาก็ยิ่งคุมดีคุ้มร้ายหนักกัไปทุกวันนะปล่อยพวกนั้นวิ่งตามก็ไปเราค่อยๆไปพร้อมกับลูกหามนี่ก็ได้นะใครไปหลงเดินตามละพินเข้าก็เหนื่อยเปลา่าถึงยังไงเขาก็ต้องไปรอเราอยู่แล้วะแต่ฉันรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาอยากจะไปให้ถึงเนินเขาลูกนั้น เ, เร็วที่สุด แมมคริสหน่ฉลาดนะเอ๊ะหมายความว่าไงบุญคำว่าจากมุมที่เรายืนกันอยู่นี่นะนายราพิน์ก็จําได้แล้วนะสิว่าเนินที่แกกําลังจ้ำอ้าวเข้าไปนั่นะมันเคยเป็นป่าช้าผีดิบที่เจ้านายเก่าของแ ก, กสองคนคนหนึ่งเป็นนายทหารไทยอีกคนนึงเป็นแม่มเยอรมันเข้าไปขังไปอยู่ในนั้นแล้วแกกับพวกก็ช่วยกันระเบิดออกมา เมื่อคราวผ่านมาครั้งก่อนโน้นไงวุ What? จริงเหรอบุญคำทั้งสองสาวลืมตาโพล่งร้องอุทานออกมาพร้อมกันต่พรานเท่าสมุนของระพินไม่ตอบอะไรอีกแต่กระเม่นมองไปข้างหน้าและพยุงเบรย์ให้เดินตามสแตลลีคิดและเชิดบูธไปอย่างไม่รีบร้อนอะไรนักผิดกับอีกสามคนที่พยายามเร่งฝีเท้าเพื่อจะตามหลังระพินให้ทัน มันก็ปรากฏออกมาในรูปแบบเดิมๆนั่นเองไม่ว่าใครจะพยายามเดินเร็วสักแค่ไหนก็ตามนับนาทีที่ผ่านไปร่างของจอมพรานที่เดินตัดทุง่งดุมๆไปก่อนก็ยิ่งทิ้งห่างออกไปตามลำดับมันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเก้าวไปสามก้าวแล้วคนเหล่านี้ยังก้าวไปได้เพียงแค่ก้าวเดียวใน ล, ลักษณะการเช่นดีกลุ่มนายจ้างเคยชินช่ละไม่มีใครประหลาดใจ แล้วทั้งสามบุคคลก็ต้องยอมแพ้เงือออกท่วมกายยอมผ่อนฝีเท้าลงมาเดินรวมกลุ่มกับบุญคำเบลและก็คริสติน่าซึ่งเดินตามอยู่เบื้องหลังขันหน้าขบวนของลูกหากไว้อเมริกันอาวุโสเป่าลมพลูออกจากปากเอาแขนเสื้อป้ายเงือบนหน้าผาดนี่ในคอมพิวเตอร์ที่ดีชื่อพร้อมประวัติของเขาออกมา บอกไว้ด้วยหรือเปล่าอ่ะในป่าแล้วจะไม่มีใครสามารถเดินตามทันคนคนนี้ได้ถ้าเขาไม่หยุดรอนั่นเป็นคำเปรย์เชมากกว่าตั้งใจจะถามคริสตินาเพียงแต่หัวเราะเบาๆเขากําลังมีจุดสนใจอะไรอย่างมากแล้วก็กําลังเร่งรีบอย่างที่สุดน่ะปล่อยเขาล่วงหน้าไปก่อนเถอะหัวหน้าถึงยังไงก็ยังมองเห็นกันอยู่แล้วภูมิประเทศมันก็เป็นทุ่งโลม มองได้กว้างไกลรอบ ด, ด้านคงจะไม่สูญหายไปจากสายตาของพวกเราหรอกและถึงยังไงเราก็ยังใช้วิทยุมือถือได้อยู่ยังติดต่อเขาได้ตลอดเวลาถ้าจำเป็นในคิดโครงหัวสะบดอุบอิบแต่เชิดพุธไม่แสดงอาการกังขาสนใจอะไรนะักที่พรนยานใหญ่รุดล่วงหน้าไปก่อนหันมาเห็นเบลเอามือเอาแขนคล้องกอดคอบุญคาเดินขเเยกอยู่ก็มีสีหน้าเป็นห่วง กรากเข้ามาชิดจับแขนไวอ้าเป็นไงเบล ร, รู้สึกไม่ไหวเหรอไม่เป็นไรหรอกบูธตะเท่ามือขวาของระพินคนเนี้ความจริงแล้วแกก็เป็นคนใจดีน่ารักมากนะแกคงเห็นฉันเดินข า, ขากระเยกก็เลยเข้ามาช่วยหิ้วปีกโชคดีที่ทั้งสองพูดกันด้วยภาษาอเมริกันบุญธรรมเลยฟังไม่รู้เรื่องในคาว่าตะเท่า จึงไม่มีปฏิกิริยามโมโหโกโรธาอะไรเชิดพุตรมองเห็นสภาพแล้วก็สงสารบุญคำเพราะตัวแกน่ะผอมเกรงซ่นอิสเบรแม้การเดินบุกป่ากรา ก, กรัมมาเป็นเวลานานจะทำให้รูปร่างประเภทเนื้อนมไข่ลดลงไปอย่างมากแต่เมื่อเทียบกับบุญคำแล้วเจ้าหล่อนก็ยังบึบบับสูงใหญ่กว่า บ, บุญคำมากนักเล่นเอาเอียงกระเทเรไปเลยจึงหันไปถามบุญคายิ้มยิ้ม ไงบุญคำแมนเบลตัวหนักไหมสมุนขวาของรพิงยิ้มเห็นฟันเหรอเบากว่าลูกช้างน้อยเดียวเท่านั้นแหละนายทหารแตไม่เป็นไรบุญคำจะหิวปีกเท่านั้นแหละยังไม่ถึงกระต o n แบกเบลอุทานแล้วผลักได้ห่างออกไปเพราะตัวเองนะฟังและผู้ไทยได้มากกว่าที่บุญคำจะฟังภาษาของหล่อนออก ถึงจะไม่โปร่งตลอดนักก็กว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนี่ประตูฉันหนักนักก็ไม่ต้องมาช่วยฮิ้วหรอกฉันเดินไปได้บุญคำหัวเราะแย่ๆแ่มเบี้ยก็ไม่นานน้อยใจเลยบุญคำน่ะพูดเล่นนะแม่มือหนักชะมัดพลาชจ่หัวเกือบทิ่มดินเลยในทหารตัวโตๆมาช่วยประคองแม่มแทนในขามทีเหอตกลง เชิดพุตรรับอาสาง่ายๆเดินเข้ามาประชิดเบลบอกว่าอ่ะคุณกอไล่ผมไว้ดิแล้วก็อย่าทำอวดดีไปหน่อยเลยนะขาคุณนี่ยังกระเยกอยู่เลยเดินก็ยังไม่ถนัดนักหรอกว่าแล้วเขาก็ช่วยโอบเอลเบลไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่งรองเรียกนายคิดซึ่งชะลอลงมาใกล้อีกคนนึงเฮ้ยคิดเดี๋ยวผลัดกันดูแลเบลด้วยนะตอนนี้เป็นหน้าที่ฉันก่อน เดี๋ยวพอฉันเหนื่อยเองรับภาระราไปแล้วกันคิดไม่ว่าอะไรแต่หัวเราะขนาบข้างมาช่วยกันหิ้วปีกอีกข้างหนึ่งของเบลโดยไม่สนใจกับอาการผลักใสปฏิเสธของแม่ผมแดงก็เลยเป็นอันว่าเบลอันกลายเป็นคนไม่สู้จะสมประกอบของยามนี้ถูกสองเพื่อนชายตัวโตโ ต, โตสองคนหิ้วขนาบข้างพาเดินลิ้วโดยหล่อนไม่ต้องออกแรง อะไรมากนักอืมดีแบบนี้นะ่ะเป็นการดีมากทีเดียวคริสติน่าบอกปนยิ้มที่มุมปะยามดีเธอทั้งสองคนก็ใช้เขาสารพัดอย่างสามัคคีกันดีนักเชอะบนเนื้อหนังมังสาของเขานะ่ะตอนนี้ยามเ็าเจ็บไข้ได้ป่วยทุกพลภาพขึ้นมามั่งก็ควรจะสามัคคีในด้านช่วยกันหอพี่อเขามั่งถึงจะเรียกว่าสุภาพบุรุษไง าวจบแม่ผมทองก็ออกเร่งฝีเท้าเดินตามไปเคียงบุญคำอยู่เบื้องหน้าทิ้งให้สองชายอ้าปากค้างมองหน้ากันเองตาปริบปริบรู้สึกแสบแสบคันคั น, นหัวใจยังไงบอกไม่ถูกเฮ้ยบุตแม่นั่นด่าเราสองคนนี่วะอืมขากว่างั้นน่ะปากจัดชิบเลยคริสตนี่อย่านินทาสุภาพสตรี รับหลังเขาพูดของเขากระถูกต้องแล้วเบนบอกมาเสียงเรียบๆพร้อมทั้งใช้ฝ่ามือทั้งสองด้านตบไปที่ต้นคอของเพื่อนชายผู้ขนาบข้างทั้งสองทำให้ทั้งคู่สงบปากคาลงไปได้คริสติน่าเดินเข้ามาชิดบุญคำเอามือโอบไหลไว้อย่างปราณีและให้ความสนิทสนุมเป็นกันเองพอแกหันมาก็ยิ้มให้บุญคา คุยกันไปพลางได้ไหมเนี่ยแมมคริสจะหลอกถามอะไรบุญคําอีกแล้วเนี่ยตาพรานเท่าย้อนมาอย่างฉลาดเท่าทันน้าบุญคําฉันไม่มีเลขคนอะไรจะหลอกบุญคำหรอกนานๆถึงจะมีโอกาสได้คุยกันสักทีนี่ว่าบุญคําเกลียดหน้าฉั น, นแมมคริสเป็นคนดีบุญคำไม่ได้เกลียดหรอกนายฝรั่งที่มาด้วยกันทุกคนเนี่ย เพราะอยู่ด้วยกันไปนานๆบุญคำก็เห็นว่าเป็นคนดีทั้งนั้นแหละบุญคำน่นนับถือทุกคนเลยคนเราจะคบกันได้แค่ไหนแต่ละคนจะมีนิสัยยังไงมาเดินป่าลำบากลำบนด้วยกันแบบนี้แหละมันถึงจะเห็นได้แจม่มแจ้งแดงแฉ่ดีนะักพวกขาแม่มทุกคนบุญคำยอมรับว่าใช้ได้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ทีทแรกบุญคำก็เกลียดพวกเราทุกคนใช่ไหม แต่พยักหน้าตอบตรงๆมาว่าก็ใช่แรกนักเรียนเข้าใสาเลยเพะผาแต่ตรงข้ามกับพวกชั้นนะเห็นหน้านายของบุญคำและพวกของบุญคำทุกคนเราก็เชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างดีที่สุดเลยว่าเราได้กลุ่มผู้นำทางที่ถูกต้องควรจะฝากชีวิตไว้ให้ได้แล้วในขนทางข้างหน้าคราวนี้ตาเท่ายิ้มแป้นแม่ แมมันนี่ปากหวานนะแต่ไม่รู้จะพูดจริงๆหรือเปล่าคริสติน่าตบที่ไหลอันบอบบางแต่แข็งแกร่งของแกเ บ, บาๆแล้วโอบกระชับไว้แน่นฉันไม่โกหกหรอกบุญคำแต่อีทีนี้อยากจะถามบุญคำมั่งที่บุญคำยอมรับพวกว่าพวกเราใช้ได้นะ่ะมันหมายถึงยังไงก็แม้มือจะไม่ถึงในบางเรื่อง แต่ก็ใจถึงอ่ะฉันยังไม่เข้าใจนักนะบุญคำในลองอธิบายชัดสิเราพูดกันได้อย่างผู้ชายอย่านึกสิว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็อนุญาตให้พูดตรงๆได้ด้วยพวกของแหม่มนักลาฉลาดรักใครกลมเกลียวกันดีเป็นห่วงกันแล้วก็เผื่อแผ่เป็นห่วงมาถึงพวกของบุญคำด้วย แรกๆบุญคาก็นึกว่าคงไม่เป็นเรื่องหรอกจะร่วมทางกันมานานๆก็เห็นมาเรื่อยๆคนเดินป่าท้าความตายแบบนี้ถ้าไม่มีธาตุแท้แบบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลหรอกนายของบุญคาก็บวกบุญคาอย่างนั้นหละ <c oughs> นายไม่ได้บอกบุญคำหรอกแต่บุญคาก็มีตาเห็นมีใจคิดนี่เออแล้วนายของบุญคะเขาคิดอย่างบุญคำไหม ไม่รู้สินายในฉลาดกว่าบุญคำหลายเท่านักบุญคำใกรพวกนี้ก็ยังรู้แล้วทำไมนายถึงจะไม่รู้ล่ะเขาอาจจะรู้มากกว่าบุญคำซะด้ซ้ำไปก็เป็นเราพวกเราทั้งหมดนี่ไม่ว่าจะฝ่ายของบุญคำหรือฝ่ายฉันเรารวมกันมาเป็นฝ่ายเดียวที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกันในทุกสถานการณ์แล้วใช่ไหม ก็ถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นเพราะภัยจากป่านี่พวกบุญคำก็พร้อมที่จะตายก่อนฝ่ายเจ้านายทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายรพิน์หรือไอ้พรานสามคนนั่นรวมทั้งพวกลูกหาบทุกคนด้วยเรื่องนี้นะ่ะนายสั่งกําชับไว้นักหนาพวกเราทุกคนรู้หน้าที่ดีแม่ไม่ต้องห่วงหรอกคริสติน่าซ่อนยิม้มใช้หลักจิตวิทยาเต็มที่เพราะถึงยังไง เจ้านายของตาเท่าก็ไม่ได้มาร่วมรู้ร่วมได้ยินอยู่ด้วยหลนมักจะหาโอกาสอย่างนี้เสมอแต่ไม่ค่อยจะศบช่องเหมาะนักในการที่จะล่วงอะไรต่ออะไรจากคนของระพินไฟรวันอืมน่ารักน่าไว้วางใจทุกคนจริงนะคนเราจะรู้จักทำความเข้าใจกันได้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาแห่งการครบหาและก็ร่วมทุกข์กันไปนานๆฉันเชื่อ ว่าฝ่ายของบุญคำคงไม่มีใครทอดทิ้งพวกฉันหรอกแต่โทนั่นมันของแน่สบายใจได้หร้อแม่เออแล้วฝ่ายของบุญคำละ่ะเชื่อทางด้านฉันบ้างไหมว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งฝ่ายของบุญคำเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ตาเท่าชำเลืองตามองอย่างคนไม่ง้อเกินไปนักคริสติน่าเลิกคิวขึ้น ดวงตาสีฟ้างามของหล่อนประสานจับนิ่งอยู่ที่ตากร่านคู่นั้นของแกเหมือนจะรอฟังคำตอบบุญคำก็อยากจะเชื่อแกว่าพยายามค้นหาคำพูดแล้วก็พยายามงัดเอาขี้ปากของแง่ทรายในสมัยอดีตที่แกเคยขึ้นใจคุ้นหูขึ้นมาพูดต่อไปว่าแต่พระธูดง อาจารย์ของบุญคำสอนไว้ว่าอย่าเชื่อปากคนง่ายๆนักต้องรอยถึงวินาทีสุดท้ายซะก่อนแล้วมันจะพิสูจน์ออกมาได้เองวินาทีสุดท้ายเหรอยังไงเมื่อไหร่ก็ต้องรอยพวกแมมค้นพบเรือบินตกล้ำนั้นซะก่อนให้วิทยุเครื่องใหญ่ของพวกแมมติดต่อกัพักพวกได้ แล้วก็ส่งขาวให้พรรคพวกส่งเรือบินหรือเรือเหาะมาขนลูกระเบิดรับนายแหมมกับพวกไปได้สำเร็จซะ ก, ก่อนบุญคำก็อยากจะให้ถึงเวลานั้นเสรูเร็วจะได้เห็นว่าพวกนายแหมมลาจากพวกเรายังไงนั่นแหละคือวินาทีสุดท้ายไง <c oughs> แหลมคมมากนะบุญคำเนี่ยสมน้ะล่ะที่เป็นสิทธ์เอกของระพิน ฉันเห็นบุญคาชอบทาอะไรแผงๆแล้วก็ตลกขานองไม่เป็นประษาแต่เมื่อถึงคราวคับขันที่จำเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วบุญคาก็เป็นพรานที่มีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถเยี่ยมยอดคนหนึ่งซ้ายังพูดแล้วก็คิดอ่านได้หลักแหลมลึกซึ้งนะ ล, ลูกพี่เป็นยังไงลูกน้องก็เป็นยังงั้นฉันเห็นมานานนล่แหะบุญคานายฉลาดกว่าอีกสามคนนั้นมากทีเดียวบุญคาสั่นหัว บอกมาอย่างมีเหลี่ยมคูว่าที่ไหนได้ละ่ะในแมมในบรรดาพรานลูกน้องของนายราพินสี่คนบุญคำน่ะโง่ที่สุดเลยไอ้จันไอ้เกิดหรือไอเฉยน่ะมันฉลาดกว่าบุญคามมากนักแต่มันไม่พูดแต่นั้นแหละบุญคมน่ะไม่ได้เรียนหนังสือไต้พวกนั้นยังได้เรียนมั่งแม้จะคนละนิดนิดนหน่อยหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าบุญคำที่ไม่เรียนในโรงเรียน แค่เรียนจากวัดเท่านั้นแหละแม่อย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยนะบุญคำทำไมฉันจะไม่รู้ว่าบุญคำนะ่ะฝีมือขนาดไหนแม่ผมทองนักเคมีฟิสิกของคณะยังคงเดินโอบกอดไหลอยู่เช่นนั้นเล่นเอาตาเท่าใจเต้นไม่เป็น่ําอุบอิบออกมาด้วยเสียงยอ่อยยแห ม, ม่อะไรล่ะ ลอยบุญค้ำเหอะยังมาเดินกอดบุญค้ำอยู่ยางงี้เลยทําไมอะบุญค้ำจะกระเดียมยังไงผิดโกลนพวกเขาแม่มองอยู่นั่นน่ะกระเดียวนายขีดหือนาทหารเชิดบุญเกิดมันไส้เขามาถีบุญถักบุญคำ้ำซะก็แ่านั้นแหละไม่มีใครกล้ามามันไส้หรือทําบุญค้ำได้หรอกแล้วก็ไม่ว่าใครในฝ่ายของพวกฉันก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันหรอก ลองดูสิใครมาทำอะไรบุญคำฉันจะตบบ้องหุวว้คว่าไปทีเดียวบุญคำรังเกียจฉันงั้นเหรอในบรรดาลูกน้องของรบพินน่ะฉันสนิทกับบุญคำมากที่สุดนะรู้ไหมไอ้รู้มันก็รู้รอกบุญคำอ้อมแอ้มไม่เต็มปากหน้าเหี่ยวๆหวดำดของแกร้อนพาวปรากฏสีเลือดขึ้นแต่แมม่นะสิไม่รู้ ฉันไม่รู้อะไม่รู้อะไรบุญคําก็ไม่รู้ว่าหน้าอกของแหมมมันชนอยู่กับแขนของบุญคําทุกทีที่ก้าวเดินไงบุญคําจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะแหมมประโยคหลังแกกระซิบเบาที่สุดคริสติน่าวางหน้าเรียบสนิทชายตาดูหน้าแกอยู่เช่นนั้น มันก็พอดีกับที่บุญคำเดินสะดุดหลุมหรืออาจจะสะดุดเอาขาของคริสติน่าที่แกล้งปัดก็ไม่ทราบได้เสียหลักทำท่าจะหัวกระมังไปข้างหน้าแม่มสาวคว้าคอเสื้อไว้อย่างรวดเร็วฉับไวดึงขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นเพราะหล่อนใช้พลังจากช่วงแขนมากไปหน่อยหรือมันอาจจะเป็นลวดลายลูกไม้ของตาเท่าเจ้าเล่อย่างใดอย่างหนึง่งก็สุดที่จะบอกได้ หน้าของบุญคำที่หันหมุนกลับมาในท่ากึ่งเซและเสียหลักเกือบจะล้มลงไปแล้วน่ะก็ทิ่มซบก็ไปที่บริเวณโคนขาของคริสติน่าอย่างถนัดทนีหุ้ยแกร้องอุทานออกมาอย่างตกใจและสองแขนก็รวบกอดอุตโภพของหล่อนไว้ก่อนจะคลูดไปถึงพื้นคริสติน่าหัวรอบเบาๆสองฝ่ามือประกบเข็มกรามทั้งสองด้านของแกแล้วยกสะบัดขึ้น ส่งร่างที่กำลังจะสุดตัวไมกองของบุญคำให้เธอเรื่องโลดขึ้นมายืนตามเดิมบุญคำจะไม่โดดผึงขึ้นยืนโดยเร็วได้ยังไงเพราะการฉุดให้ยืนขึ้นชนิดนั้นของแม่ผมทองแท้จริงก็คือกลยุทธ์ของคอมมันโดแท็กติกนั่นเองเพราะตะแกรถึงทำเป็นสัมอ้อยกอดซพอยู่ยังงั้นมีหวังกรามหักเสียงอุทานติดต่อมาของบุญคำคราวนี้จึงกลายเป็นโว้ พวกที่เดินตามมาเบื้องหลังไม่ทันสังเกตเห็นอะไรมากนะักนอกจากจะเข้าใจว่าเป็นอุปตวายเหตุเล็กๆน้อยๆระหว่างที่ทั้งสองเดินเคียงคู่ไปด้วยกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมากจนคนเบื้องหลังดูไม่ทันคริสติน่าโอบไหลาตาพรานเท่าเดินรุดหน้าต่อไปด้วยอาการเป็นปกติในขณะที่บุญคนตาเหลเอามือบีบคางตัวเอง ไม่เป็นไรมากไม่ใช่เหรอบุงคำจะดุดอะไรเข้ากระมังสะดุดเอาหน้าทิมโคกเอกูออนอกูไอ้คำเอ้แกะสะบดพรังออกมากระตุ้มตัวเองแล้วกล่าวว่าแมนทำไมถึงแข็งแรงมือไม้หนักจังกับผูชายยังเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยข้างเกือบหักเลยกู คราวนี้พอจะหายจากกระเดียมไปได้มังหรือยังเนี่ยหมดชิลลิ่งอะไรเลยพับผีหมดอายนะหล่อนเอียงหน้าถามเสียงสูงอย่างไม่เข้าใจบุญคำหน้ามุยถอนใจเฮือกอีกครั้งยังคำคางป้อยอยู่เช่นนั้นป่าวไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่คอร้องเหอะแม่เนี่ยไม่ต้องประคองบุญคำอย่างนี้หรอก บุนคำเดินไปเองถามจะสบายกว่าอะไรรูปร่างนั่งฟ้าแต่เรี่ยวแรงยังกันยังยักษก์มูขี่ว่างนะยันฟังไม่ถนัดตะกี้พูดว่าไงฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาถามไอ้คำชักมีน้ำโหมเลวนะเนี่ยแกขมวดคิว้วกระชากเสียงมาคุนคุณแต่แล้วก็คึกคักชัช่นชื่นขึ้นมาอีกเมื่อไหลด้านซ้ายของแก กระทบกับความตึงตึงหยุ่นมีสปริ ง, น, ง, งนุ่มกุงกึ่งนุ่มกึ่งแข็งชวนให้เกิดความเคลิ่มในรถสัมผัสอยู่เป็นจังหวะเลียดเลียดนึกเสียดายที่เดินรวมไปกับพักพวกหมู่มากเป็นขบวนไปด้วยกันนี่ะมีแกตามลำพังกระแมม่สองคนถ้าได้เดินสีกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเดินกันจนถึงก่อฟ้าป่าหิมาพานตาเท่าก็เดินไหว ในชีวิตการเดินป่าเป็นมือขวาของระพินไปกับคณะผู้จ้างหลายต่อหลายคณะมาแล้วยังไม่เคยมีนายจ้างสาวสวยชาติเชื้อเผ่าพันใดจะให้ความสนิทสนมและเข้าถึงเนื้อถึงตัวแกแบบนี้มาก่อนเลยแม่ผมทองสวยบาดจิตผู้นี้ก็เพิ่งจะมาคล้อเคลียเล่นหัวกะแกเป็นกรณีพิเศษในเช้าวันนี้เป็นครั้งแรก เล่นเอาตาเท่าบุญคำกระอักกระอ่วนใจไปหมดกระชักเพลินแล้วก็กลายเป็นเผลอเพราะสมาธิความระมัดระวังทั้งหลายแหลคลอนแคลนไปซะแล้วร่างของระพินไพรวันที่ล่วงหน้าไปก่อนบัดนี้ทุกคนแลเห็นตัวสูงไม่เกินคืบเพราะระยะที่ห่างออกไปกำลังเดินเลาะแหนมองตรวจสอบไปทางซีกซ้ายมือของเนินลูกที่เห็นอยู่เบื้องหน้า ตอนที่นำทางให้กับคณะนายหญิงของบุญคำเมื่อปีก่อนเนเจ้านายของบุญคําก็เดินผละทิ้งพวกนายจ้างเดินดุมด่มๆไปข้างหน้าคนเดียวโดยไม่เหลียวหลังอย่างนี้มั่งไหมเนี่ยบุญคําหล่อนเริ่มตอล่อมก็ไปอย่างนี้เลยแม่เรื่องธรรมดาของแกเลยนึกจะจำอา้อาวอ้าวไปข้างหน้าแกก็ไม่รอใครหรอกเหมือนตามควายหายแต่แกก็ไม่ได้ทิ้งหายไปเสเลยจะไปรอคอยอยู่ข้างหน้า บางทีย้อนกลับมาเดินตามอยู่ข้างหลังทิ้งพวกเจ้านายไว้บุญคำกับไอ้พวกนี้เป็นเพื่อนแต้รับรองว่าไม่หลงพลาดกันหรอกเออและพวกเจ้านายเขาไม่เคยบ่นว่าอะไรมั่งเลยเลยที่พรานใหญ่ชอบเดินไม่รอใครอย่างนี้โดยเฉพาะนายหญิงของบุญคำนะ โ, โอ้ยนายหญิงว่าละนายหญิงว่านายระพินซะจนปากไปเยียปากแฉะแล้วว่าจนก็เลิกว่าไปเองแหละ พระรู้นิสัยนายน่ะเป็นคนแบบนี้เองไม่มามัวงุ่มง่ามรอใครอยู่รอกแต่แกเห็นว่าแกมีธุระที่จะต้องไปทำก่อนแต่ไม่ว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนแ่ก็คือไม่เคยชักช้าปล่อยให้ใครต้องรับเคราะห์ไอ้เรื่องนี้นะ่ะเลิกห่วงกันได้พวกเรานะ่ารู้กันอยู่แล้วโดวยนายไม่ต้องสัง่งเพราะแกออกจำ้ำอาวอ้าวไปที่ไหนพวกของบุญคาก็ต้องคอยระวังพวกเจ้านายอยู่ข้างหลัง ไม่ต้องไปเร่งตามแกเสียเวลาแล้วพวกบุญคําก็พาไปให้พบกันนายรพินจนได้นั่นแหละถ้าพวกแมมคอยห่วงกันอยู่อย่างนี้ก็ต้องต่อว่าแกไม่รู้จบกจะไปไหนก็ปล่อยแกไปเถอะขนาดบุญคําหรือพวกนี้เวลาไปไหนก็แกโดยเฉพาะไม่มีเจ้านายอื่นๆมารวมอยู่ด้วยบทแกจะพวดพลาดไปไหนแกก็ไปแบบนี้เหมือนกันปล่อยเราปล่อยให้แกไปตามเรื่องของแก เว้นแต่จะสั่งให้ตามกันไปด้วยเท่านั้นเวลาเดินป่าน่ะนายรพินแกไม่ชอบไปใครมาแซาซีห่วงอะไรแกมากมากหรอกแล้วก็เวลาเดินแกก็ไม่ชอบพุยกับใครด้วยทำไมจำเป็นคริสติน่าพยักหน้าช้าๆเอาละรู้สึกว่าฉันพอจะเข้าใจได้โปรรงแล้วแล้วบุญคำเห็นเขาสองคนทะเลาะกันบ่อยไหมตอนที่เดินป่าอยู่ด้วยกัน เฮ้ยทะเลาะกันบ่อยที่สุดเลยอย่างน้อยก็วันละห้าหกครั้งแหละนายหญิงนะ่ะแกชอบพูดชอบถามแต่นายราพินชอบนิ่งนายหญิงก็เลยโกรธแรกๆที่ออกเดินทางด้วยกันโอ้ยังกับขมิ่นกับปูอย่างนั้นแหละนายราพินนะ่ะแต่เคยเอาใจใครเป็นเสมอไรแกก็ทำงานของแกทัดเดียวอะบุญคำเล่าความไปตามจริงเหรอ แล้วก็สองคนเกิดไปรักกันได้ยังไงแต่เท่าเอามือลูบหัวก็หนั่นสิแหม่มบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นายของบุญคํานะี่แกเป็นคนดีนะดีมากๆด้วยถึงหน้าแกจะดําเป็นฐานสซกับปลกมอมแมมทั้งวันตลอดการแต่ใจแกก็สะอาดกว่าคนในเมืองมากนะักแล้วแหม่มละ่ะเห็นแกเป็นคนไงประโยคหลังแกถาม ม, ามั้ง คริสติน่ายิ้มมุมปากนายหญิงของบุญคำเห็นว่าเขาเป็นยังไงฉันก็เห็นว่าเขาเป็นคนอย่า ง, งานแหละบุญคำบุญคำสังเกตเจ้านายของตัวเองมากไหมเมื่อวานนี้ตั้งแต่เรามองเห็นภาพแกะสลักนูนริมฝาผนังเป็นรูปเจ้าหญิงที่หน้าตาเหมือนกับคู่รักของเขาจนกระทั่งเราพากันเดินลึกลงไปในห้องเก็บศพของราชวงศ์แห่งนิทรานคร แล้วก็ไปพบอีบศพสีชมพูนั่นสังเกตอะไรสังเกตอะไรแหม่บุญคำยังไม่เข้าใจที่แหม่ถามหรอกก็ในความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวของบุญคำเพราะจะอ่านจิตใจความคิดของเขาได้มากไหมว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงสมุนมือขวาของระพินนิ่งเงียบไปชั่วขณะหน้าแกเริ่มเคร่งลง เรื่องนี้บุญคําก็บอกไม่ถูกนะแม่ผูพวกเราสี่คนก็รู้อยู่เต็มอกอาการของนายน่ะซึมซึมเสื่องเสื่อ ง, งลงไปมากทีเดียวนายคงจะคิดถึงนายหญิงคงคิดมากที่ทําไมภาพบ้านน่ะมันถึงได้เหมือนนายหญิงดารินมากติสุดมันทําให้นายต้องบุญไว้ใจไปหมดบุญคําก็บอกไม่ถูกรับแต่เข้าใจอ่ะ เออนี่แล้วก็พูดอะไรกับพวกของบุญคามั่งไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยไม่รอกแกไม่พูดอะไรสั ก, กคำหนึง่งนี่บุญคาบุญคาคิดว่าการเดินทางครั้งนี้พวกเราทั้งหมดจะมีโอกาสได้รอดชีวิตกลับไปไหมเนี่ยลองเปลี่ยนคำถามไปอีกแบบนึงบุญคาไม่รู้อ่ะแล้แมมคริสเคยถามนายดูมั่งหรือเปล่าล่ะ แกตอบมาซื่อๆฉันก็ถามก็บ่อยครั้งที่สุดนะบุญคำแต่ก็ไม่มีคำตอบที่แน่นอนจากเขาแหมไอ้โลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกชีวิตของคนเราก็จะไม่มีโชคดีซ้าๆกันได้บ่อยนะักคราวก่อนเรารออตายกันมาได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ถ้าเรารออตายได้อีก เทวดาก็คงจะเข้าข้างเราเป็นรายพิเศษอะหรือแหม่ว่าไงคราวนี้คริสตินานิ่งไปบ้างคลายวงแขนจากการโอบไหล่ตาพรานเท่าออกช้าๆแต่ยังคงก้าวเดินเคียงข้างอยู่เหมือนเดิมในห้างใหญ่บอกก็เข้าไปแล้วล่ะว่าเราจะเดินทางกันไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะไม่นานนักถ้ายังค้นหาข้าวเงื่อนเครื่องบินตกไม่ได้ เราก็จะสั่งให้เขานำทางกลับกัละเป็นนั้นว่าเขาหมดหน้าที่เสียทีส่วนทางด้านเราก็จะหมดหน้าที่เหมือนกันเพราะดูมันจะพ้นความสามารถของเราใช่ละแ้่มันก็ไร้สาระเกินไปที่จะเดินทางอย่างปราศจากเป้าหมายที่แน่นอนถ้าเราไม่สามารถติดต่อกระหอบังคับการของเราได้อีกแล้วเดินไปมันก็ไม่มีประโยชน์แกหันมามองหน้านายจ้างอเมริกันสาวอย่างชงนเหมือนจะค้นหา เอดูท่าพวกแม่มจะย่อท้อใช่แล้วล่ะนะทั้งทั้งที่ครั้งแรกก็หมายมั่นกันอย่างเต็มที่ต้องการจะบังคับพวกเราให้พาเดินทางอย่างไม่เห็นกับชีวิตนายของบุญคำพูดยังไงมั่งละ่ะเมื่อนาย ห, ห้างใหญ่บอกมาอย่างเงี้ยคริสติน่าเม้มริมฝีปากลงนิดนึงดวงตาหลีลงก่อนเนี้ย เราบังคับเขาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมให้นำออกเดินทางมาเพื่อประโยชน์ฝ่ายเราแต่มาถึงตอนนี้พวกของฉันรู้สึกเหมือนกันว่านายของบุญคําเป็นฝ่ายบังคับพวกฉันให้เดินต่อฉันแล้วล่ะเขาเป็นคนบ้า ง, งานเป็นคนมีทิธฐิซึ่งบางทีมันก็ไรเหตุผลอะถ้าทางของเขาบอกให้เราทราบในทีว่า ถึงเราจะสั่งให้เขากลับเขาก็คงไม่ยอมเขาคงจะค้นต่อไปจนกว่าจะหาเครื่องบินลำนั้นได้แล้วถ้าเขาไม่นํากลับซะอย่างเดียวพวกเราทั้งหมดก็คงจะต้องถูกเขาลากไปจนถึงที่สุดนั่นแหละเพราะเราก็ไม่รู้ทางเขานําไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เขาอาจจะบอกกับเราว่ากําลังนํากลับแต่ถ้าเขานําออกค้นหาต่อไป หรือนำทางไปถึงไหนเราก็หมดทางที่จะรู้อมแมมอานายของบุญคำออกแกเป็นคนยังงั้นจริงๆล่ะแม่แต่พวกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเปลี่ยนใจใหม่คิดจะกลับแล้วแกยังไม่ยอมกลับปกบุญคำจะหาทางพูดกับแกเองให้แกยอมนำกลับให้ได้แกเองก็มีห่วงข้างหลังอยู่มากนะ แต่บางทีแกก็น้อยใจในายหญิงอาจจะทำให้แกไม่อยากหันกลับไปอีกก็ได้นายของบุญคำก็รู้จักน้อยใจคู่รักเขาอย่างนั้นเหรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกมั่งได้ไหมคริสติน่าชวนคุยซะจนตาเท่าหลวมตัวแล้วประกอบกับที่แกเองแกก็อัดอั้นตันใจแทนเจ้านายมานานอยากจะหาทางระบายออกจึงเข้าล็อกพอดี ก็เรื่องรักรักใครใค ร, ใครเรื่องของคนจนมีชีวิตอยู่กับป่ากับคนรวยเลิศลอยมีชีวิตอยู่ในปราสาทราชวังนั่นแหละแ ม, ม่สองคนมาพบมารักชอบเห็นใจกันในป่าพอเสร็จงานฝ่ายหนึ่งมีชีวิตอยู่ในป่าตามเดิมอีกฝ่ายกลับไปสุขสบายอยู่ในเมืองหายไปเลยร่วมไป เพ่งจะมาพบกันอีกครั้งเดียวก็ตอนก่อนที่แกจะออกรับจ้างพวกนายแม่มเดินทางมาเนี่ยนายระพินแกรักนายหญิงมากนะและคงไม่แน่ใจมั้งว่านายหญิงจะรักจะเป็นห่วงแกแค่ไหนความจริงไอ้คำก็ไม่อยากจะพูดเลยและแกก็ชะงักนิ่งไปคริสตินาใช้จิตตานุภาพของดวงตาของหลอนสะกดแกมา พร้อมกับยิ้มให้สำเนียงของหล่อนอ่อนโยนนุ่มน่าฟังผู้เธอบุญคา ม, มันมีอะไรแฝงเร้นอยู่เหรอแหมเจ้าว่าไปความจริงนายหญิงดารินก็ผิดที่พอ ง, งานเสร็จเอาตัวพี่ชายกลับคืนไปได้แล้วก็เงียบหายไปเลย ปล่อยทิ้งนายระพินไว้คนเดียวที่หนองน้ำแห้งทำทีเหมือนจะลืมนายราพินแกก็เศร้าซึมมาตลอดนับจากนายหญิงจากไปแล้วเพิ่งจะดูว่าร่าเริงมีความสุขขึ้นนิดนึงก็เมื่อ น, นายหญิงหวนกลับมาเยี่ยมคราวนั้นแต่แล้วรุ่งเช้าพวกนายแหมมก็มาเติดต่อเชิงบังคับให้ออกไปนายแกก็คงไม่มีความหวังอะไรกับคู่รักมากนัก เลยยอมรับนำทางมาแบบที่เขาเรียกว่าอะไรบุญคำก็พูดไม่ค่อยจะถูกรประชดชีวิตเหรอนั่นแหละไอ้ประชดชีวิตหรือประชดความอับโชคว่าสนาของตัวเองน่นแหละหนีหน้าไม่ใช่พน้พนเลยนะเฮ้ยบุญคำก็ไม่น่าจะพูดหรืไมแม่มฟังเลยนนะไงไงๆมันก็เป็นเรื่องสวนตัวของนายโดยเฉพาะ แมมก็ถามนี่นจนบุญคําต้องบอกอมมดอีกครั้งที่คริสติน่าซ่อนรอยยิ้มไว้อย่างมิชิผิวหน้าเบืองนอกพลอยเศร้าไปกะแก่ด้วยเฮย้ฉันก็เห็นใจนายของบุญคํามากนะไอ้ที่ถามก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงอาการใหม่ของเขาไงนอกเหนือจากมาเรียที่เรื้อรังมาก่อนน่ะบุญคําและทุกคนก็คงเห็นแล้ว าบางขณะเจ้านายของบุญคําเองก็อ่อนแอลงไปมากประสาทเขาตึงเครียดมีอาการทั้งโรคหัวใจด้วยเราก็เลยจําเป็นจะต้องรู้สาเหตุที่มาของอาการให้แน่ชัดไม่งั้นเราก็ช่วยรักษาก็ไม่ได้หากว่าเขาเกิดอาการหน้ามืดเป็นตะคริวหายใจไม่ออกขึ้นมาอีกแต่นายหญิงของบุญคําก็เป็นคนดีมากไม่ใช่เหรอบุญคําบุญคำหน้าจืดเจื่อนลง ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่แกยอมระบายความในใจแท้จริงแม่เท่าที่เห็นในป่าหรือตอนแกมาที่บ้านป่าของเราอ่ะแกก็เป็นคนดีมากนะน่ารักที่สุดแต่ทำไมแกถึงหนักทิ้งนายของบุญคำให้อยู่คนเดียวนานเกินไปนักก็ไม่รู้สิเขาอาจจะมีภารกิจยุ่งทางอื่นก็ได้นะบุญคำ ที่ทิงให้เจ้านายของบุญคําอยู่ตามลำพังนานเกินไปหน่อยอย่างที่บุญคําว่าแล้วก็คงจะวางใจว่าถึงยังไงเสะเจ้านายของบุญคําก็คงไม่หนีหายไปไหนเวลาคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาหาได้เหมือนนั้นไงแต่เท่าเริ่มใช้สมองคิดและเมื่อคิดแล้วแกก็เริ่มสกิดใจยังไงพิกลเพียงแต่ยังนึกไม่ออกว่าแมมคริสเจตนาจะให้มีความหมายยังไง และตัวแกเองก็หาคำพูดที่จะมาตอบไม่ได้ใจหนึ่งก็คิดว่าแม่มเป็นคนดีรู้จักหินใจคนแต่อีกใจก็ชะงนว่าแม่มคนสวยจะมาดำเนินเล่กระเทศเพทุบายอะไรที่แกยังตามไม่ทันใช่ละมะั้งแม่มบุญคำก็รู้อย่างเดียวอ่ะรู้ด้วยสัญชาตญาณ รู้ว่าจิตใจของนายราพินและนายหญิงดารินน่ะเขาสะอาดบริสุทธิ์แต่ฟ้าดินอาจจะมากลางกันไว้ก็ได้เลยทำให้ต่างคนต่างเข้าใจกันผิดพลาดไปถึงยังไงบุญคำและพวกเราทุกคนก็ยังเคารพรักนายหญิงอยู่เสมอแม่นายหญิงจะไม่ได้มามีชีวิตยอยู่กินกับเจ้านายของบุญคำอย่างคู่รักเขาทั่วๆวไปก็ตาม แล้วถ้าสำหรับฉันละ่ะบุญคําหล่อนชี้ที่อกตัวเองถามมาแผ่วเบาบุญคําคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเอาความรู้สึกเท่าที่ผ่านพบเห็นมาแล้วจนกระทั่งที่เห็นเดี๋ยวนี้นะแมมบุญคํเป็นคนตรงน่ะฉันก็ชอบคนตรงไงคนปากกระจตรงกัน แหมคริสเป็นคนน่ารักมากอีกคนนึงที่บุญคําเคยเห็นมาแต่ในความน่ารักอะก็มีความหน่ากลัวซ่อนอยู่ลึกๆหนักกลัวยังไงบุญคําก็บอกไม่ถูกแต่ท่านายหญิงดารินบุญคําว่าแกมีแต่ความน่ารักความน่ากลัวน่าหวาดระแวงไม่มีเลยนายหญิง รนาเหมือนำค้างบนยอดใบไม้แต่แมมคริสตเหมือนน้ำเหล้าดีๆในขวดมันก็แล้วแต่ว่าใครต้องการน้ำชนิดไหนคริสติน่าคอแข็งสะอึกอึ้งไปนานหลอนแทบไม่เชื่อเลยว่าชายชราผู้นี้ไม่เคยผ่านการศึกษาร่ำเรียนอย่างดีมา 172แม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะไม่กล่าวคำใดกับบุญคำอีกทั้งสิน้นหล่อนเร่งฝีเท้าเดินอย่างรวดเร็วตัดผ่านตาเท้าไปโดยเร็วชนิดไม่สนใจจะรอคอยพักพวกที่เดินกันมาเป็นขบวนอย่างใดทั้งสิน้นทิศทางของหล่อนก็คือมุ่งที่จะไปให้ถึงเนินอนันเป็นเป้าหมายที่เห็นระพินเดินเลาะลัดไปทางไหลซ้ายของมัน ซึ่งทุกคนมองเห็นอยู่ว่าเขาได้ปีนไตระดับสูงจากพื้นราบด้านล่างขึ้นไปอยู่ในระดับเกือบกึ่งกลางของเนินอันปกคลุมไปด้วยกลุ่มหญ้าแห้งวัชพืชซุ้มเตีย้ยเตีย้ยสลับไปกระโขดหินนั้นฮะแมมจะรีบร้อนไปไหนแล้วนะ่ะเสียงบุญคำตะโกนเรียกและทุกคนในคณะที่เดินตามมาเบื้องหลัง<ๆ>ก็เห็นอาการเคลื่อนอย่างรวดเร็วพลั้ิ้วไปเบื้องหน้า ของแม่ผมทองกันทวหน้าคริสเกิดอะไรขึ้นในนั้นรอไปพร้อมๆกับพวกเราสิเฮ้ยหยุดก่อนอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดบุตรพากันประหลาดใจร้องตะโกนไล่หลังมาเป็นเสียงเดียวคริสติน่าไม่ฟังเสียงหลอนเริบอองวิกเหาะเะทันที โดยไม่หันมาสนใจกับเสียงโวยวายแปลกใจของพักพวกด้านหลังแม้แต่น้อยเจตนาของหล่อนส่อชัดว่าต้องการจะตามไปให้ถึงเนินลูกนั้นตามลำพังชนิดไม่ต้องการจะเสียเวลาอีกทั้งสิน้นบุญคมตามไปเร็วสเตลลีร้องสั่งดังลัง่นตาเท่าเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลิกละ่ะพอได้ยินเสียงพวกนั้นร้องเร่งสั่งซ้ามาแกก็ออกวิ่งกวดไล่ตามหลังคริสติน่าไป ทางตะโกนโวกโวกให้รอด้วยจิงรู้สึกว่าถูกกวดไล่ตามคริสติน่าก็ยิ่งเร่งฝีเท้าวิ่งเร็วขึ้นอีกลนตัดทุ่งหญ้าไปราวกระนางเสือดาวและเร็วเกินกว่าที่ตาเท่าจะแล่นตามกระชั้นเข้ามาได้ทันเพราะยิ่งกวดไล่หลนก็ยิ่งทิ้งห่างเกิดอะไรกันนี่โว้ยคิดผู้ประคองเบลคนละด้านกระเชิดบุตรอุทานออกมา ตาเบอิอกว้างมองตามหลังคริสติน่าที่ออกแล่นปลาไปโดยมีบุญคำวิ่งปูเลงปูเลงตามหลังซึ่งแลเห็นกันอยู่ชัดๆว่าตาเท่าไม่มีกำลังขาพอที่จะกวดไล่ได้ทันหากหล่อนไม่หยุดหรือชะลอฝีเทา้าเชิดบุตรขยับจะผระจากเบนที่ประคองปีกอยู่คนละข้างกะคิดทำท่าจะกวดตามอีกคนแต่จันทซึ่งดูเหมือนจะคุมเชิงอยู่เบื้องหลังอยู่ก่อนแล้วก็ช่วยต้นแขนหมับ คำตามไปแล้วในทหารอย่าเสียเวลาเล่นตามไปเหนื่อยเปล่าเลยระยะมันก็โลกมองเห็นก็อยู่แค่นี้ไม่มีอะไรบงังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจันรู้ไหมสหมุนทรายของระพินยังไม่ได้ตอบในทันทีนั้นเหลียวมองไปยังยอดหญ้าทั้งแห้งและสุดที่แวดล้อมอยู่รอบรอบกายเห็นยอดของมันสันไหวอยู่ริกริกและโยกหมุนไปมา กระแสะลมเย็นพัดผ่านกายคณะพักทั้งหมดมาเป็นระยะระยะฝุ่นจากดินแห้งบางกลงุ่มเริ่มหมุนเป็นเกลียวลอยขึ้นจากพื้นแล้วโรยตัวหล่นลงมาตามเดิมที่นั่นบ้างที่นี่บ้างรอบตัวไปหมดแต่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดยังไม่รู้สึกผิดปกติหรือหันมาสังเกตยอย่างใดทั้งสิน้นกฤษณายังคงเล่นไปเบื้องหน้าโดยไม่เหลียวหลัง ลหลนางไกลคณะออกไปทุกทีบุญคำก็คงวิ่งขยโยกตามหลังตะโกนเรียกลอนไม่ขาดปากไปพลางลั่นทุ่งอยู่เช่นนั้นแมมคริสก็คงจะรำคาญที่พวกเราเดินกันไปตามสบายคงอยากจะตามไปถึงนายรพินซะโดยเร็วละมั้งจันตอบมาเสียงขรุ่มแต่ตายังกวาดมองไกลๆไกลบริเวณทุ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เช่นนั้นอย่างพรานผู้ชนานาญไพร ส่วนเกิดกระเซยในขณะ น, นี้เข้าไปขนาบอยู่ข้างกระบวนลูกหาบที่พากันเดินอย่างชนิดเร่งฝีเท้าเชิดวุตนนั้นขยับตัวครั้งไรจันก็เหนียวไหไว้ทุกครั้งเป็นเชิงบังคับโดยอาการไม่ให้พลอยวิ่งตามหลังบุญคำไปอีกคนแดมจะบ้าไปยังไงวะแล้วนั่นรพินลับหายไปไหนแล้ว สไตลีสบดพวกมาอย่างฉุนฉุนนักบัตรนั้นเองท่ามกลางความมึนงงของฝ่ายเมริกันและเชิดบุตรผู้พากันเกาะหมู่เดินอยู่วิทยุที่เปิดสแตนบายไว้ตลอดเวลาก็ปรากฏเสียงของระพินไพรวันขึ้นเรียกทุกคนครับเรียกทุกคนครับได้ยินมีอะไร ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนดาพินอเมริกันอาโศกรอกเสียงเร็วปรือลงไปในวิทยุมือถือของตนทันทีฝ่ายที่พูดมาดูเหมือนจะไม่สนใจกับคำถามท้ายประโยคแต่น้ำเสียงเร่งร้อนเฉียบขาดดังออกมาจากลำโพงติดต่อไปโดยเร่งด่วนว่าทุกคนฟังนะครับขอถือว่านี่เป็นคำสั่งเปลี่ยนทิศทางการเดินมายังเนินลูกนี้ทวนอีกครั้งครับ เปลี่ยนทิศทางเดี๋ยวนี้ให้บ่ายหน้าเข้าไปในป่าใหญ่ขวามือนั่นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฟังให้ชัดนะครับผมพูดว่าเร็วที่สุดเลือกหาต้นไม้ขนาดใหญ่ใช้เชือกผูกเอไว้ทุกคนและผูกยองติดกับไม้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่าให้พัาดแยกจากกันโดยเด็ดขาดหาที่ยึดแล้วหลบจากต้นไม้อื่นๆที่อาจจะล้มทับลงมาด้วยทั้งหมด ทุกคนและเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิ้นครับทุกคนที่ได้รับฟังคำสั่งนั้นแทบพังะ ง, งุนงงไปหมดอย่างไม่รู้ความหมายใดๆเสียงอันดูเหมือนจะเป็นตะโกนกรอกลงมาในเครื่องวิทยุรับส่งดังเร่งเตือนมาอีกแล้วร้องเรียกชื่อบุญคำเหมือนใจแกตอบรับแต่บุญคำขณะนี้กำลังวิ่งไล่หลังคริสติน่าไปแล้วแกก็ไม่ได้เปิดวิทยุจึงไม่ได้ยิน รถจกักรเปรตมันเกิดอะไรขึ้นบอกด้วยสิไว้สไตลีแผทเสียงหยาบคายกล้องลงไปในไม้ประจำเครื่องมือของตนเพราะความตื่นเต้นสับสนไปหมดทายุหมุนครับทายุหมุนก่อตัวอยู่ข้างหน้าระยะห่างแค่ไม่เกินสามไม่มันกำลังพุ่งจากด้านบนลงมาจิกหอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูดลอยสูงขึ้นไปกาลังเคลื่อนตรงเข้ามาด้วยความเร็วมากครับ เร็วถ้าใช้จะแหลกหมดทั้งคณะไม่ต้องห่วงผมจะหาที่หลบทางนี้ก่อนขาดเสียงของเขาท้องฟ้าอันแต่แรกแลดูใสปลอดโปร่งด้วยแดดในยามสายบัดนี้มืดทำมืดอยู่เบื้องหน้าราวเมฆมหาการเหตุการณ์มันผันแปรรวดเร็วเหลือเกินจนตั้งตัวกันไม่ทันเสียงครางอูอยู่เบื้องหน้า ลมเย็นเฉียบกันโชคมาเป็นระยะปะทะใบหน้าของแต่ละคนแทบแจะเสเสียงระพินตะโกนทางวิทยุมาเป็นภาษาไทยสั่งการละล่ำละักกับพรานพื้นเมืองของเขาเกิดเซยและจันได้ยินเข้าใจความหมายได้ทั้งหมดไปในห้างลบเขาดงใหญ่นั่นเร็วๆเข้าจันไล่ต้อนคณะนายจ้างทันทีส่วนเกิดและเซยก็ต้อนพวกลูกหากแลนปูเลงปูเลง แบกสัมภาระล่วงหน้าไปก่อนเป็นพร่วนสแตลลีคีดอิสเบลและเชอรบุตยังอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกก็โดนจันเข้าผลักใสร้องบอกมาแทบเป็นเสียงตะวาดว่าถ้าไม่อยากตายทำตามที่นายราพินบอกเดี๋ยวนี้ขืนชักช้าลมบ้าหมูมันจะหอบหายกันไปหมดไม่ได้หอบไปหาเทวดาบนสวรรค์นนะแต่หอบไปลงนรกสตลลี Stanley จึงได้สติ หันไปสั่งการกับฝ่ายของตนทำตามคำสั่งเขาเร็ว น, น่นโนนคริสคริสกร์บุนคัมเบนร้องแหลมชี้มือไปข้างหน้าแล้วภาพที่ทุกคนเห็นตาเท่าตอนนี้ล้มลุกคลุกครานลงแล้วกำลังพยายามลุกและล้มอยู่เช่นนั้นเสียงแต่ตะโกนอะไรฟังไม่ได้สับส่วนคริสติน่าเริ่มส่วนเส แต่ลอนก็คุ้มตัวลงต่ำแล้ววิ่งฟ้าล้มต่อไปอย่างไม่ลดละพงครีจากท้องทุ่งเริ่มหมุนลอยขึ้นไปบนอากาศรอบบริเวณแล้วเป็นหย่อมย่มอมกอหญ้าแห้งลอยติวติวชวัดเฉ ว, ว, วียนอยู่บนอากาศเหนือสีสษะแล้วถูกกระชากให้เปลวสูงขึ้นไปลิบลิบยังปราศจากทิศทางแลเห็นชัดร่างของระพินโผลออกมาทั้งไหล่ของเนินที่หายไปในครั้งแรก มวกสกะหลาดของเขากระพืออยู่ด้านหลังไม่ได้ครอบอยู่บนสีสะัะและที่มันยังไม่หลุดไปก็เพราะสายที่รัดคางไวจอมพรนเกาะตามแนวหินเหนือสีสะัะค่อยๆขยับตัวไปทีหลักเก้าดูเหมือนเขาจะมองเห็นสภาพของพรรคพวกด้านหลังหมดทุกด้านว่าใครกำลังอยู่ในสภาพไหนบ้างร้องสั่งการมาโดยทางวิทยุวะ่ะลบเข้าไปไม่ต้องห่วงใครทั้งสิ้น พยายเอาชีวิตของตัวเองให้รอดไว้ก่อนเสียงของระพินขาดหายไปเพียงแค่นั้น ร, ร่างของเขาพัางงะร่วงลงมาจากเนินที่เห็นเกาะ อ, อยู่นั้นแวบหายไปจากสายตาทุกคนท่ามกลางม่านฝุ่นที่มัวขาวตลบไปหมดทั้งท้องทุ่งตะพานเท่าตะกายเขา้าเกาะยึดแงหินที่แกกลิ้งผ่านมาไว้ได้ท้องผ้าขามามัดตัวเอง อันเป็นวิธีเดียวที่แกจะทําได้ในขณะ น, นี้ติดกับแง่นั้นไว้สมุดดาโคตพ่อโคตรแม่อะไรลั่นไปหมดก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นท่องคาถาแกหมดทางที่จะขยับยืนขึ้นมาได้แล้วเพราะรู้ดีว่ามีหวังถูกลมพัดริ้งไปเป็นลูกขนุนต้องเสี่ยงหาที่มั่นไว้ก่อนกลางทุ่งลมจะมองไปทางไหนตาก็แส่ผ้ามัวไปหมดนะมองไม่เห็น รู้แต่เพียงว่าแมมคริสวิ่งห่างจะแก้ออกไปมากทางด้านสแตลลีและลูกหากทุกคนขณะนี้ก็กำลังเล่นกันอย่างสุดชีวิตพุ่งเข้าหาแนวป่าทึบที่ขนานกับแนวทุ่งมาตลอดมีระยะห่างออกไปเพียงไม่เกินร้อยเมตรแม้จะแยกพวกห่างกันไปถึง3าสฝ่ายคือฝ่ายระพินฝ่ายคริสตินาและบุญคำกับฝ่ายคณะส่วนใหญ่ แต่ในภาวะภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นยางกระทันหันเช่นนี้ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือใครที่ห่างไกลาจากตัวออกไปได้นอกจากมุ่งช่วยชีวิตตัวเองไว้ก่อนแบบตัวใครตัวมันด้วยความจำเป็นขีดสุดราว์ปาทะมึนอันจะเป็นที่พึ่งของกลุ่มนายจ้างอเมริกันกับพวกลูกหาบบัตมีล่ายอดไม้ที่เห็นก็เริ่มแกว่งไกวโยนตัวกันอยู่คลืนครัน ไม่เป็นขบวนแต่เดี๋ยวมันเอ็นลู่ไปทางซ้ายแล้วก็สะบัดกลับมาทางขวาหญิงไม้ใหญ่น้อยบางส่วนหักสะบ้านผงผางกระเด็นปลิวลงมาเิ้งอยู่ในทุ่งบงักลอยสูงขึ้นไปเบื้องบนบ้างดูอึ้งออนโกลาหลไปหมดผู้ที่รวมกลุ่มหรืออยู่ใกล้ชิดกันเท่านั้นที่ยังพอจะช่วยเหลือกันได้ทั้งฉุดทั้งดึงทากันเล่นฟ้าพายุไป ส่วนไฟที่แยกทางไกลออกไปไม่มีใครสามารถทายชะตากรรมได้รู้แต่เพียงว่าพายุหมุนมันสำแดงฤทธิ์เข้าถึงตัวแล้วและนับแต่วินาทีที่ผ่านมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นทุกขณะทุกขณะระหว่างบุญคำกับคริสตินาะบัดนี้ก็แยกจากกันใส่แล้วอย่างชนิดต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นตัวแม่ผมทองลง้มกลิ้งลงสองครั้ง แรงดูดของลมจากเบื้องสูงพู่ลงมาทางด้านหลังของหลอนห่างประมาณ10เมตรโดยหญ้าแห้งผสมกวดหินดินทรายบริเวณนั้นก็ถูกดึงหลุดลอยขึ้นไปเบื้องบนราวกับถูกมือมหายักญอีกขยุ่มกว้างตาขึ้นไปบนอากาศคริสตินา่ากัดริมฝีปากแน่นคืบคลานเหนียวกอย่าไปเบื้องหน้ายัางใช้ความพยายามขีดสุด รู้สึกว่ารัศมีของลมลักษณะเหมือนงวงช้างห่างพ้นตัวออกไปหลอนก็ยันตัวขึ้นวิ่งด้วยฝีเท้าปราดเปรียวและเร็วที่สุดในชีวิตตรองก็หาแกงแงโคหินของเชิงเนินที่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่เกิน20เมตรรระพินลอนตะโกนเรียกสุดเสียงพร้อมกับพลาหัวสุนเข้ามาในซอกหินเชิงเนิน ร่างของร้นใหญ่นอนตะแคงคู่ตัวเอามือกุมหัวเข่าขวาอยู่ริกกายบิดอยู่ไปมาท่ามกลางแรงลมที่กําลังหมุนวนอยู่รอบบริเวณอันทําให้กิ่งไม้ใบไม้แห้งรอบด้านหมุนตลบกระจัดกระจายไปหมดริสติน่าปาดไปถึงร่างนั้นทันทีจับไหล่ที่เอียงตะแคงอยู่กับพื้นกระชากส่วนบนของร่างกายขึ้นสีสากของเขาเกยอยู่กับตักของหล่อนแม่ผมท้องก็เขย่าที่สีสาก แล้วใบหน้าตะโกนแหลมฟาเสียงลมคุณเป็นไรบ้างเป็นไรล่าสังเกตเหินกรามทั้งคู่บดกันเป็นสันขาวหน้าบิดเบีย้ยวเยเกยแต่ดวงตาซอแววทรหดอดทนขีดสุดยังสามารถลืมขึ้นพบกับตาของหล่อนที่กำลังจ้องขะเหม็งลงมาคริสตรงไปข้างหน้าเราเจ็ดหลา มีปากช่องทางเป็นโพรงลึกเข้าไปลักษณะเหมือนถ้ำเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นก่อนเร็วหลนพยายามรั้งตัวเขาขึ้นนะ่ะในระหว่างที่พรานใหญ่ใช้มือทั้งสองกุมหัวเขาที่งออยู่เช่นนั้นคุณคุณไปอะไรบอกสิกระพินถูกลมพัดหลนกลิ้งลงมาจากข้างบนนั่นหัวเขาเคล็ดแต่ไม่เป็นไรมากหรอก ตอนนี้แค่ปวดลมกลุ่มหนึ่งแระโชคจากด้านบนบูบลงมาที่บุคคลทั้งสองอันอยู่ในซอกแทบจะดูดร่างของคริสติน่าให้พั ง, งะลอยขึ้นร้อนไวมากปล่อยมือที่สวมอยู่ให้ปลิวกระชากตามแรงลมขึ้นไปโดยตัวเองกดร่างรระพินไว้สอดลำตัวอยู่ใต้ซอกมันบูบลงมาชั่วปตา แล้วก็ย้ายตำแหน่งไปจูโจมยังบริเวณข้างเคียงอื่นต่อไปเหมือนปลายของท่อดูดฝุ่นที่จะเลือกทิมลงไปบนตำแหน่งไหนถึงหารายรอบด้านที่ไม่มีความมั่นคงพอบัดนี้สั่นไหวโยกคลอนไอปอส่วนบนบางแห่งหักกระเด็นโดยอานุภาพรุนแรงของพายุหมุนลักษณะประหลาดอันราวจะบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ลักโดยไม่ปล่อยเวลาให้ล่าช้าไปแม้แต่วินาทีเดียว คริติน่าผู้ว่องไวทันต่อเหตุการณ์วิกฤตทุกสภาพสอดไหลเข้าไปในรักแร้ข้างหนึ่งของระพีและประคองเขาขึ้นยืนอย่างทุรักทุเลโดยไม่สนใจว่าเขาจะบอกให้หลอนล่วงหน้าไปก่อนยังไงเกาะให้แน่นๆนะคุณฉันจะลากคุณก็ไปเองอย่างแข็งแรงเกินสภาพร่างกายอันเพียวบาแมผมทองสามารถที่จะฮิ้วเอาพรานใหญ่ขึ้นมายืนงอขา เอียงกระแทเรอยู่อีกมือหนึ่งของหล่อนคว้าไรเฟันประจํามือของเขาที่ตกอยู่ใกล้ๆแล้วประคองลาถูรูถูกลกกกางไปเลียบโคถิงเตียเต้ยๆตรงไปยังตําแหน่งที่เขาบุ้ยปากบอกทันทีทำตามตาเสียงพายุที่คําร้อนยูวีดวิวก็ยังโชคดีบ้างที่ทั้งสองเข้ามาอยู่เชิเงเนินมีป่าหินย่อมย่อมล้อมรอบสกัดทิศทางลมปะท้าปะทางไว้ได้บ้าง ไม่ได้อยู่กลางทุ่งโลง่ลงๆซึ่งจะเป็นบริเวณที่พายุหมุนเกลียวกราดได้เต็มที่อึดใจเดียวผนทั้งคู่ก็ขโยขเยกฝ่าแรงลมอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาถึงวิ้งปากโพรงที่มองดูเหมือนทางเข้าของอะไรชนิดหนึ่งตรงตามที่ระพินบอกทุกอย่างจอมพรานใช้ขายอีกข้างหนึ่งเป็นเครื่องยันส่วนข้างที่ทาท่าเหมือนจะพิการไปชั่วขณะใช้แตะลากไปกับพื้นดูเหมือนคนขาหัก สภาพความดุดดันของพายุเบาบางลงในทันทีเมื่อทั้งสองพ้นเข้ามาในบริเวณปากโพรงแห่ง น, นี้ก่อนลากระพินเข้าไปจนลึกพอที่จะแน่ใจว่าอั น, นาจของพายุหมุนไม่สามารถจะไตาตามก็ามาจับเวียงหรือดูให้ลอยขึ้นไปได้และทั้งสองก็หมอบหวบลงไปด้วยกันอย่างเหน็ดเหนื่อเบื่อมนอกเสียงก้อนหินน้อยใหญ่เคลื่อนอยู่คึกคัก เสียงความดูร้ายของพายุยังอึ้น อ, อ, อยู่ทั่วทิศคริสคุณตามเข้ามาทำไมที่นี่ผมสั่งให้พวกคุณแยกหลบเข้าไปในโดงนั่นระพินแยกเขียยสืนทนต่อความเจ็บปวดเคล็ดยกอร้ อ, รองถามมากล่อนจับที่ขาข้างที่เห็นว่าบาดเจ็บนั้นทันทีแม้อากาศเบื้องนอกจะมืดมนลงแต่มันก็ยังพอมองเห็นอะไรได้รางๆพอสมควร ตรงบริเวณปากโพรงแห่งนี้ไม่ต้องถามอะไรมากสิคุณรู้แต่เพียงว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างเตือนให้ฉันตรงเข้ามาที่คุณโดยเร็วในขณะ น, นี้มันอาจจะเป็นอำนาจกระแสะจิตของผู้หญิงที่ชื่อดารินวราฤทธ์ ก, ก็ได้ไม嘛ที่บงการควบคุมจิตใจของฉันในขณะ น, นี้คริสติน่าพูดโดยเร็วยกกระชากมีดไปจําตัวออกมาทิ่มพรวดกติขากางเกงบริเวณเข่าของเขา กรีดนัดขาดแควจากนั้นก็ฉีกขากาังเกงข้างนั้นของเขาออกอย่างฉับไวที่สุดเพื่อตรวจดูบาดแผลโดยตัดขากาังเกงข้างนั้นออกไปข้าง